สิกขาบทวิพังห้าร้อยสิคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่ากระดูกได้แก่กระดูกชนิดใดชนิดหนึ่งที่ชื่อว่างาพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงงาช้างที่ชื่อว่าเขาได้แก่เขาชนิดใดชนิดหนึ่ง คำว่าทมคือภิกษุทาเองหรือใช้ให้ทำต้องอาบัตทุกกฎในขณะที่ทาต้องอาบัตประจิตีเพราะได้มาต้องทำลายแล้วแสดงอาบัต